วิญญาณไม่สงบการที่เราลงไปช่วยคุณหมอพรทิพย์เหมือนกับเราได้ลงภาคสนามได้ไปช่วยผู้ที่เสียชีวิตโดยเฉพาะทั้งคนต่างชาติและคนไทยและจากการที่เคยเป็นพยาบาลมาก็เข้าใจเรื่องความตายและเรื่องวิญญาณในระดับหนึ่งเมื่อเข้าไปทำงานในจุดนั้นเราก็แผ่เมตตาให้ผู้ที่เสียชีวิต ให้เขาได้รับกุศลผลบุญจากเราให้เขาได้ไปสู่บุญกุศลที่เขาได้ประกอบกระทำ ม, มาของเขาเองแต่ละคนเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเราไม่ได้เห็นอะไรแต่เป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้ยังเราทำหน้าที่ตรวจหาวัตถุพยานในผู้ที่เสียชีวิตเพื่อจะบอกว่าคนนี้เป็นใครมาจากที่ไหนอย่างไรมีญาติมารับหรือไม่วัตถุพยานของแต่ละคนจะเป็นสิ่งยืนยันที่ชัดเจน ขณะทําก็ต้องดมยาดมไปบันมึนหัวคลื่นไส้อยากอาเจียนก็เริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็สบายดีมาตลอดแต่พอมาทําตรงนี้ทำไมจึงได้มีอาการอย่างนี้พอนึกได้เราก็ตั้งจิตแผ่เมตตาให้เขาตลอดแต่อาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นก็เลยคิดในใจแบบดุดว่าถ้ามารบกวนแบบเนี้ยเราก็ไม่สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือได้ให้หยุดรบกวนเราเสียเพราะเรารู้สึกว่าร่างกายของเราไม่สบาย พอสวดมนต์แผ่เมตตาให้สักครู่อาการที่มีก็หายไปอันนี้เล่าเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตัวเองรู้ว่าเขามาขอมาบอกให้รู้ว่าเขาต้องการบุญกุศลที่เราสร้างบ้างก็ามาขอบุญกุศลของเราที่เกิดจากการส่งเคราะห์ในครั้งนี้เขาจึงมารบกวนเราพอแผ่เมตตาให้เขาก็สงบไปสัพเพสัตตาอเวราหุนตุช่วงนั้นเราแผ่เมตตาเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยด้วย เราแผ่ให้พวกเขาตลอดโดยเฉพาะที่บ้านน้ำเข็มซึ่งมีผู้เสียชีวิตเยอะมากเราตั้งจิตและตั้งใจแผ่เมตตาให้อย่างมากตลอดเวลา ขณะจิตสุดท้ายที่บ้านน้ำเค็มเราไม่สามารถทำงานค้นหาศพได้มากนักเพราะรถเข้าออกมากรถติดเราจึงต้องลงเดินตั้งแต่ทางเข้าบ้านน้ำเค็มในใจก็แผ่เมตตาให้ผู้เสียชีวิตตลอดในเรื่องของจิตวิญญาณหลวงตาท่านเคยแสดงธรรมไว้ว่าขณะจิตสุดท้ายของคนเป็นขณะจิตที่สำคัญมาก ขณะหมดลมหายใจอยู่ณจุดใดจิตวิญญาณก็จะอยู่ณตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นคนที่เกาะผีผีที่รอดชีวิตมาเขาเล่าให้ฟังว่าบางคืนยังได้ยินเสียงคนเล่นน้ำอยู่ริมหาดนั่นก็เป็นเพราะว่าในขณะที่หมดลมหายใจคือขณะจิตสุดท้ายของคนพวกนั้นจิตของพวกเขาดิ่งอยู่กับการเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวว่าจะเกิดเหตุ พุโทโธอยู่ที่จิตฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจที่เราอาจเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นเห็นมีคนกวักมือเรียกขอขึ้นรถก็รับขึ้นมาแต่พอหันไปดูอีกทีก็ไม่มีใครอยู่ในรถนั่นก็คือวิญญาณของเขายังหลงว่าเขายังมีชีวิตและกำลังเดินทางไปมาอยู่ก็เหมือนกับเขายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ คือขณะจิตสุดท้ายเขาติดอยู่ณตรงนั้นเพราะฉะนั้นองค์หลวงตาท่านจึงสอนให้นำพุโทโธมาไว้ที่จิตทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนให้นำเอาพุโทโธมาแน่ที่จิตฟังตอนแรกเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจคำสอนของท่านแล้วว่าเราอาจตายได้ทุกวันเวลาแล้วในขณะจิตสุดท้ายของเราหากไม่มีสาระที่พึ่งประจาอยู่ที่จิตเราจะไม่สามารถไปถึงจุดที่เราสร้างสมเอาไว้ได้ แต่กลับจะต้องไปติดอยู่ณขณะจิตสุดท้ายนั้นก่อนแทนที่จะได้ไปสวยบุญบาปที่เราทำไว้